วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเพราะเหตุไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ระดับผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนามีหัวหน้าเป็นประธานเป็นผู้ชักชวนหมู่คณะครูบาอาจารย์สถานการศึกษาทั่วจังหวัด หนองคายเรียว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเขตหนึ่งกับตัวจังหวัดก็ปีที่แล้วก็ได้มาในพรรษาปีนี้ก็เป็นปีที่สองก็ได้มาอีกถ้า ค, คิดว่าคณะครูบาอาจารย์คงไม่เข็ดจึงได้มาอีกถ้าเข็ดแล้วคงจะไม่มาเหมืน อันนี้ก็คงใจเห็นคุณประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังหรือว่าในในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการอบรมทางด้านจิตใจอย่างที่นักศึกษาแพทย์ไม่ดน2548ก็มาขอหลวงพ่อมารับการอบรมมาบวชอยู่ที่นี่เดือนเสรศษ พอ 2,549 ก็มาบวชอีกแต่ไม่มากแต่พอ 2,550 ปีนี้ก็มาบวชอีกติดต่อกันสามปีปีนี้ทั้งนักศึกษาแพทย์จริงๆก็สิบสามแต่นอกจากนั้นก็มีกลุ่ ม, มู่พวกเพื่อนที่อยู่ในสถานการศึกษามหิดลเหมือนกัน รวมกันแล้วสิบแปดรวมกันที่บวชในปีนี้เป็นพระนวกะกรสีว่ามากพอสมควรจากนั้นก็มีพระมาจากกรุงเทพอีกรวมสมทบหน้าแรงมีนากับเมษาปีนี้พระทั้งหมด4ี่สิบกว่าสี่สิบกว่ารูปนะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือไม่เข็ดว่างั้นเถอะถ้าเข็ดก็คงจะไม่มาอีกกเหมือนกับนักศึกษาแพทย์ มาติดต่อกันถึงสมปีแล้วก็ยังติดต่ออีกว่าปีต่อไปจะขอมาบวดหลวงพ่อจะขัดข้องไหมหลวงพ่อเองก็ได้บอกว่าถ้ามาไม่สร้างปัญหาไม่ก่อปัญหาไม่สร้างปัญหามาเพื่อการศึกษาอย่างที่สมปีที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ขัดข้องจะเข้ามาก็ามาได้แต่ถ้าว่าสร้างปัญหาแล้วหลวงพ่อไม่รับ เพราะปัญหาของมนุษย์มากมายก่ายกองเรือเกินอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้มนุษย์นี่รกชัดเป็นป่าที่รกชัดมองไม่เห็นมองไม่เห็นเวลาการกระทำทำอย่างหนึ่งเวลาพูดพูดไปอย่างหนึ่งเวลาคิดคิดไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ ตามดูนั้นมองไม่เห็นเพราะมันลกมันไม่เหมือนสัตว์ถ้าสัตว์ที่ไรฉานจะไปช้างม้าวัวควายถ้ามันพอใจไม่พอใจมันงองแงหรือมันทำอะไรมองเห็นได้ชัดเพราะมันไม่ลกมันตืน่นแต่มนุษย์ของเราเนี่ยมันลกมองไม่ค่อยเห็ น, นกบเกลื่อนถ้าว่าตัวเองชอบอย่างนั้นอาจจะทำอย่างนี้ เ อ, อเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองชอบวันนั้นเพราะนั้นท่านจึงตั้งแต่บรโบราณมาแล้วตั้งแต่สองพันกว่าปีมาแล้วที่ท่านพระพุทธเจ้าที่ท่านไปพบกับอืโยมท่านก็บอกว่ามนุษย์ลกชัดคือเป็นป่าที่ลกชัดที่มองไม่เห็นเฮนหนาหนาแน่นแผลหนาแน่นไปด้วยสิ่งปิดบังว่างั้นจ้ะ เพราะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันมีสิ่งที่ปิดบังต่างมากมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะออกมาแต่ถ้าไม่จริงถ้าหากว่าคนในชาติมีสิทธรรมมีจริยธรรม มีฮิลิกับอดตปะสองอย่างเท่านั้น่ะกฎหมายมันจะไม่ได้พูดอะไรมากมายก็เป็นที่รู้กันแต่นี้ถ้าหากว่าคนในชาติของเราขาดฮิลิคือความละอายแก่ใจอดตปะปาคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านี้แหละกฎหมายถึงจะทำให้ละเอียดละออพูดในละเอียดขนาดไหนก็ยังมีช่องว่าง สำหรับคนไม่มีอย่างอายคนที่ไม่มีหิริกโอดตะปะเพราะฉะนั้นธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วเอามาใช้ทันสมัยถ้างรู้จักนํามาใช้แต่ถ้าว่าคนในชาติเกลียดชังธรรมเกลียดชังหลักเหตุผลถ้าว่าธรรมแลคือหลักเหตุผลแต่พวกเราเนี่ยถ้าว่า ทำหรือว่าศิลแธรรมเป็นไม้เบื่อไม้เมาคือเบื่อเบื่อธรรมเบื่อเบื่อรำเบื่อหลักเหตุผลเบื่อศิลแธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วท่านบอกว่าคนกลุ่มใดก็ตามคณะใดก็ตามบุคคลใดก็ตามเกลียดชงังธรรมบุคคลนั้นกลุ่มนั้นเป็นผู้ฉิบหาย ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตัดอย่างนั้นพระพุทธองค์บอกว่าคนเกียจชังหลักเหตุผลเหตุผลคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมถ้าว่าใครเกียจชังหลักเหตุผลหันหน้าไปทางไม่มีเหตุไม่มีผลอยากจะพูดพูดตามอาเภอใจอยากจะทําทําตามอาเภอใจคิดขึ้นมามีแต่คิดจะเบียดเบียน ม, มิแต่จะโลภมีแต่เอารัดเอาเปรียบของคนอื่นเขาอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ฉิบหายคล้ายๆว่า หันหลังให้แก่ธรรมหันหน้าต่ออาธรรมจกย่องเชิดชวูว่าอาธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนกลุ่มนั้นคณะนั้นเป็นผู้ชิบหายแต่ถ้าว่าผู้ใดเคารพธรรมยินดีในธรรมคือหลักเหตุผลคนกลุ่มนั้นเป็นผู้เจริญเหตุผลนั้นคืออะไรคำว่าเหตุผลเหตุผลคืออะไรในหลัก ที่ท่านว่าเหตุผลนั่นคือความถูกต้องความถูกต้องนั้นขนาดไหนกะว่าถูกต้องท่านว่าหนึ่งบวกถึงเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นส6บหกอย่างเนี้ยอันนี้คือหลักเหตุผลบวกไปเท่าไหร่มันก็คือเหตุผลมันถูกต้องแต่ถ้าว่าบุคคลใดก็ตามกลุ่มใดก็ตามมาพูดขึ้นมาว่าออถึงจะเรียนจบระดับไหนมาก็เถอะ ปริเดนยาเอกกี่แขนงก็เถอะแถมโปรฟิเซอร์อีกเข้าไปอีกก็จะบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นสี่อย่างเดียวนี่อันนั้นแปลว่ามันผิดหลักเหตุผลคือความไม่ถูกต้องอันนี้แปลว่าคนกลุ่มนั้นไม่อยู่ในเหตุผลพูดไปตามอำเภอใจไปตามอัธยาใจของตนเองนี่แหละ นี่แหละหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุธทธเจ้าท่านให้มีเหตุผลอย่างนี้เพราะทั้นคําว่าฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปฮิลิคือความละอายคือเราจะทํำสิ่งไหนถ้าเราทําลงไปแล้วมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องถ้าเขามาทําให้แก่เราเป็นยังไง ถ้าเขามาคดโกงเรามาป้นมาจี้เรามาขาโมยลูกเมียของเรามาขาโมยหลานของเราอย่างเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปกระทำให้แก่เขาเขามีความรู้สึกยังไงแต่ก็โดยมากเราไปทำให้แก่เขานั้นเราไม่ได้คิดเพราะเหตุไรเราไม่ได้คิดถึงหัวใจเขาว่าเขาคิดยังไงเออ เพราเราได้เปรียบเขา เ, เราไปต่หาวิธีการจะทำยังไงจึงจะได้เปรียบเขาทำยังไงจึงจะ จ, จัดการกับเขาได้ในเมื่อเราได้เปรียบเขา เ, เราก็ยิ้มแย้มทั้งหมู่ทั้งคณะว่าเราเก่งแต่ว่าเมื่อเขามาทําให้แกเราอย่างที่เหมือนกับเราไปทําให้แก่เขาเราก็มาเสีย อ, อกเสียใจร้องหหมร้องไห้คข้าว่าบผูกพยาบาทอาฆาต จองเวรกันอันนี้ล่ะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้ามีจริยธรรมคือความประพฤติให้รู้จักใจเขาให้รู้จักใจเราถ้าเราไม่ชอบใจอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะทําให้แก่เขาเขาก็ไม่ควรทําให้แก่เราต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้ามนุษย์คิดได้อย่างนี้นั่นแหละความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในชุมชนและสังคม คนกลุ่มนั้นแต่ถ้าว่ามันคิดไม่ได้คนกลุ่มนั้นก็จะต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรเพราะคนกลุ่มนั้นขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมคือความประพฤติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำชุมชนก็ขอให้พวกเราทุกท่านได้คิดเอาไว้ ถึงใครจะไม่ดีถึงใครจะทำตัวไม่ดีแต่ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการกระทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ทำในจุดที่ว่ามันไม่หมดไม่ถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าสินของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติสินห้าขึ้นมาปานาให้ไหมไม่ให้ฆ่าสัตว์อตินนาไม่ให้ขโมยทรัพย์ กาเมไม่ให้ประพฤติผิดในการมุสาไม่ให้โกหกสุราไม่ให้ดื่มของเหมือนเมาอันนี้ถ้าว่าเราได้ยินสินห้าแล้วพวกเราก็ถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยถ้าว่าใครรักษาสินเนี่ยเดีว่าไดาโนเสาร์แต่ตามไม่จริงพวกเราต้องการไหมผลของสินห้าหรือไม่ต้องการผลของสินห้าหรือว่าต้องการผลทางลบ ผลทางลบ ก, ก็คือไม่มีสินห้าไม่มีสินรมเราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนก็คงจะพูดแต่ไม่เต็มปากแต่ว่าต้องการผลของสินห้าใช่ไหมก็เกลียดสินห้าก็ไม่กล้าที่จะพูดแต่ก็มองดูมันกันว่าผลของสินห้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์แต่ไม่กล้าที่จะรับตรงๆเพราะตัวเองประพฤติปฏิบัติไม่ได้ก็เลยพานโกรธ ไม่พอใจเห็นว่าใครรักษาศีลก็แปลว่าคนนั้นเป็นคนคืบคนล้าสมัยไปแต่ตามไม่จริงศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเอามาไล่เรียงพูดให้เป็นชิ้นเป็นอันเรียงตามลําดับให้ได้ยินแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขจริงๆอย่างที่ว่าอย่าฆ่ากันอย่างนี้ ถ้าเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกยังไงถ้าไม่ฆ่ากันดีไหมต่างเคารพสิทธิ์จึงกันละกันไม่ฆ่ากันดีไหมพวกเราก็คงว่าดีถ้าว่ามีการฆ่ากันต่างคนก็ต่างไปที่ไหนก็ต้องพกพาอาวุธไปไม่รู้ว่าปืนอะไรต่อปืนอะไรไม่รู้มีดอมีดอะไรเพื่อคุ้มครองตัวเองแล้วโลกมันน่าอยู่ไหมไปที่ไหนมีแต่ เห็นกันแล้วก็ไม่เป็นมิตรกันเห็นกันแล้วก็มีแต่หญิงแค่วหญิงฟันเจอกันมีแต่ว่าจะพลาดท่าเสียทีเมื่อไหร่ก็จะเหยียบกันพวกเราว่าโลกจะเป็นยังไงหลวงพ่อว่าโลกยุคนั้นคงจะเป็นมิจฉาสินญญีเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่อย่างมากเพราะเหตุใดเพราะคนไม่มีศิลปข้อที่หนึ่งในข้อที่สองอธินาทานไปที่ไหนมีแต่คนขโมยจ้องขโมยกัน วิธีการขโมยมากมายถางเราพวกเรามาอย่างนี้กับทุก่นงัดบ้านบ้างรักขโมยสิ่งของของเราบ้างเราก็หนีจากบ้านไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็ขโมยลงขโมยรองเท้าบ้างขโมยรถบ้างขโมยเงินบ้างเพอ้อเผอจนขโมยลูกเล็กเด็กแดงของเราไปเรียนหนังสืออีกเขาจ้องขโมยอีกผลในสุดพ่อแม่ก็เลยไปดูไปแล คนที่ถูกก็ต้องอพกพาอาวุธปืนไปเพื่อจะดูแลแล้วพวกเราว่าเป็นยังไงมีความสุขไหมถ้าหาว่าไม่มีขโมยโพผยโจรประตูหน้าต่างเปิดเพราะต่างคนต่างเคารพสิทธิ์เห็นโทษว่าการขาโมยกันไม่เป็นผลดีถ้าทุกคนเคารพสิทธิ์กันอถ้ามีศินห้าดีไหมพวกเราก็คงจะว่าดีแล้วก็กาเมสุมิชฉาจาน สามีพัญญาลูกเต้าเหรียหลานใครก็ตามใครก็รักสงวนห่วงแหนถ้ามาเราไปล่วงล้ำเขาเขาเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเขารบสิทธิ์กันดีไหมกรบอธิปไตยซึ่งกันและกันดีไหมออันนี้ก็คงจะว่าดีฮแต่ก็ทํายากนะค่ะว่ากิเลสมันอยากจะล่วงล้ำเขาอยู่ว่างั้นจ้ะ นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราเอาธรรมคําสั่งสอนของผู้เทวเจ้ามาเบรกสิ่งใดที่มันไม่ดีอย่าทํานะทําแล้วเขาเดือดร้อนถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาเดือดร้อนเขามาทําให้แกเราเราก็เดือดร้อนเราอย่าทํานะคือเบรกเราอดีไหมอันนี้ก็คือสิ่งมุสาวาทาเวรมานีห้ามไให้โกหกคนอื่น คาว่ากโกหกนี่มากมายนะต้มตุนหลอกลวงอะไรเขาจัดว่าโกหกทั้งหมดเรีว่าเอารัดระเปรียบเขาโกหกเขาเบียดบังเขาอย่างเนี้จัดว่าเป็นโกหกคนที่โกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วออย่างอื่นเป็นไม่มีแค่ว่าคนที่ชอบโกหกแล้วทําทความชั่วเกือบทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนั้น อันนี้คือคือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็เหมือนกันสุราเมรยมัฉะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่าง ห, หลวงพ่อได้ยินเขตสีเทาออกคําถามผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองรองพออเขาถามว่าสินห้าของพระพุทธเจ้าห้าข้อเนี่ยข้อไหนที่เป็นพิษเป็นภัยมากที่สุด แต่บางคนก็ตอบไปคนละทิศทางตามความรู้ความเห็นของตนเองแต่ผลสรุปแล้วเขาก็บอกว่าผู้ที่มาฟังเคยมาฟังคําพูดของหลวงพ่อเขาเลยว่าข้อที่ห้าแตมไม่ยริงข้อที่ห้าถ้าจะว่าไปแล้วไม่หนักหนาถ้าเรามองผิวเผินไม่ผิดกฎหมายอีกต่างหากแต่ทําไมมันหนักที่มันหนักนั่นคือพอดึงเข้าไปแล้วขาดสติพอคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่าง ข่าพ่อค่าแม่ข่าพี่ข่าน้องค่าใครได้ทั้งหมดขโมยของใครก็ได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติลาบละลวงใครก็ได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติโกหกได้ทั้งหมดเพราะขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่ห้าทำความชั่วได้ทุกอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สเพราะนั้นศินข้อที่หเป็นสินที่อันตรายข้อหนึ่งเพราะมันคนขาดสติ คนขาดสติแะสามารถที่จะทำความชั่วใ้ทุกอย่างเพราะนั้นเราพิจารณาดูสิครูบาอาจารย์ที่จะสอนเด็กนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราตามขั้นตอนพอที่จะยัดเยียดความรู้ความฉลาดให้แก่เด็กนักเรียนหลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะเอาศีลธรรมให้แก่นักเรียนเด็กนักเรียนถ้าว่าเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องของเรา เรามีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขามีความรู้สึกยังไงพอน้นนักเรียนทั้งหลายให้คิดไว้ให้ดีในเรื่องนี้การไปขโมยของคนอื่นเขาเป็นยังไงถ้าเขามาขโมยของเราเป็นยังไงนักเรียนเรามีความรู้สึกยังไเงเซ็งเหล่านี้เราเปรียบเทียบให้เขาเห็นเป็นขั้นตอนหลวงพ่อว่าเด็กนักเรียนทั้งหลายสอน พยายามพูดให้เขาเห็นตามความเป็นจริงอย่างน้อยผู้มีอุปนิสัยมีอยู่บ้างเขาก็คงจะสำนึกได้ว่าเออการกระทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เป็นผลดีพราะทำให้เขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์พ่อแม่วงศาคณาญาติของเขาเตลอดถึงศิลข้อกาเมก็เหมือนกันถ้าเราไปทำให้แก่พี่น้องของเขาถ้าเราเขามาทำให้พี่น้องของเราล่ะ เออพ่อแม่พี่น้องของเราจะเสียใจใช่ไหมนักนักเรียนต้องเคารพสิทธิ์จึงกันละกันนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วกับหลงพ่อเองก็เคยสอนเคยบอกแนะแนวแต่ว่าการแนะแนวของหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นแนะแนวในระดับหนึ่งแต่ว่าจะยังลึกลงไปก็มีคนทวงติงบอกว่าคนมันมันไม่เสมอภาคกันมีสูงมีต่ํา มีระดับะดับการศึกษาแล้วก็ทำอะไรตามใจชอบมีมากหลวงพ่อก็ยอมรับเพราะคนในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันคนสูงคนต่ำหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตมีมากมายแต่หลวงพ่อบอกว่าพิธีการแนะเด็กนักเรียน เพราะว่าหลวงพ่อได้ยินมาว่าเด็กสมัยทุกวันนี้แท้จะให้แต่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนคงไม่ไหวหลวงพอ่อสถาบันครอบครัวคงจะมีส่วนร่วมควรจะช่วยกันคิดเพราะว่าเด็กใหญ่ขึ้นมาเนี่ยถ้าว่าครูบาอาจารย์สอนศีลธรรมจริยธรรมในห้องเรียนเพราะว่านักเรียนแต่งชุดอย่างงั้นนะแต่งกายอย่างนี้นะ เขาก็พูดกันกบเกือนคำพูดเพอ้อเพอ้อเขายังดูถูกครูบาอาจารย์ว่าครูไดโนเสาร์เต่าล้านปีทําไมไม่ดูโทรทัศน์ของเขาเขาเป็นยังไงเขาไปถึงไหนแล้วยังมาตุ่มเตียมอยู่แถวนี้เหรอพวกไดโนเสาร์ไอันนี้เขาก็คงจะมองอีกในแง่หนึ่งแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์เจตนาดีในในต่างประเทศของเขาสถาบันการศึกษาของเขาเขาเข้มงวดขวดขัน แต่เด็กนักเรียนพวกลูกหลานของเราไปจับ เ, เรื่องกาเละกววาลาดตามที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาเอามาตามสื่อต่างๆก็เลยมาจับเอาตอ น, นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราสิ่งเหล่านี้แปลว่าลูกหลานไม่รู้จักแยกแยะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่อว่าน่าจะแนะนำสั่งสอนพร้อมกันแต่ไม่ใช่แนะนำแต่เฉพาะเด็กนักเรียนอย่างเดียวควรจะแนะนา พ่อแม่ของเขาด้วยได้เมื่อมีโอกาสหลวงพ่อว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์ผู้แนะแนวเลี้ยวอบรมพ่อแม่ของเด็กนักเรียนพร้อมกันหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อบอกว่านี้นะหลวงพ่อได้ยินจากครูบาอาจารย์จากกรุงเทพท่านลาออกท่านบอกว่าท่านสู้ไม่ไหวหลวงพ่อก็ชมในใจว่านี่เป็นชีวิตครูที่แท้จริง ทำไมจึงลุงพ่อจึงชมอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองทําไม่ไหวสู้ไม่ไหวทําไม่ไหวไม่ใช่ว่าอยู่เป็นชังกระตายไปเป็นวันๆเด็กจะ น, นักเรียนจะเป็นยังไงก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เมื่อตัวเองสู้ไม่ไหวสอนเขาไม่ได้ก็ควรให้คนอื่นมาสอนอันนี้หลุงพ่อบูชาน้ําใจเขาจุดนี้ลุงพ่อกะถามว่าถ้าเป็น ครูบาอาจารย์อย่างคุณน่ะอาจารย์น่ะท่าลาออกทับเพราะาอาจารย์ก็จบมาจากต่างประเทศด้วยแต่ทีนี้มาสอนสู้ไม่ไหวเนี่ยถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ จ, จะเป็นยังไงโอ้อผมสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะผมบอกนักศึกษาแล้วให้ทําตัวอย่างนี้อย่างนี้ผลในส่วเขาไปบอกพ่อแม่พ่อแม่แมก็โทรศัพท์มาด่าผมอีกผมก็จะให้คะแนนของเด็กนักเรียนผมก็ให้ไม่ได้ เพราะผมไม่ได้สอนเต็มที่พิชชาของผมที่สอนก็สอนไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มาตามเบล่าเวลาตามเวลาของผมที่สั่งสอนมันขัดตัวผุพ้องอย่างมากเลยผมจะให้คะแนนเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่มาเรียนตามพิชชาที่ผมสอนอันนี้คื อ, คอผมรับไม่ได้เขาว่ายงังแต่นี่พอเด็กนักเรียนเขาเมื่อเขาไม่ผ่านเมื่อเขาไม่ได้รับ อครูบาอาจารย์ตำหนิเขาก็บอกไปพ่อแม่บเออบอกว่าครูบาอาจารย์กันแกล้งเขาว่าเขาไม่ให้คะแนนแกเขาน่ะพ่อแม่เขาก็โทรศัพท์มา ด, ด่าอาจารย์อีกอาจารย์โอ้ไม่ไหวไม่ไหว อ, อผมลาออกดีกว่าไปหาทํางานอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าเอา้าถ้าว่าเป็นลักษณะอย่างนี้อาจารย์จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเด็กในชาติของเราจรึงจะ มีความรู้ความฉลาดสามารถมาไปได้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าผมว่าสถาบันครอบครัวต้องมาก่อนเพราะท่านวันนี้ครูบาอาจารย์ผ อ, อ, อทั้งหลายท่านนะหลวงพ่ออยากจะเนะจุดนี้เหมือนกันอยากจะให้คณะพวกครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้ามีประชุมแล้วมีอะไรมาเขาฝากฝังเด็ก ลูกหลานของเขาพร้อมหน้าพร้อมตาหลวงพ่อวันน่าจะแนะพ่อแม่ของเด็กนักเรียนทุกวันนี้หลวงพ่อท่า่ามีผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆเห็นว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองมากๆนะในระดับที่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหลวงพ่อก็จะเอ่ยจุดนี้เหมือนกันหลวงพ่อว่าสถาบันครอบครัวนี่จเป็นสาคัญนะที่จะสอนลูกของตนเอง วิธีการสอนไม่ใช่ว่าจะสอนแบบพร้ำเพื่อคือว่าถ้าว่าสอนแบบพ้ำเพื่อทําให้เด็กนักเรียนเขาเด็กลูกหลานเขาเบื่อมือนกันเด็กของเราเป็นเด็กที่กําลังรับรู้อยากจะรู้อยากจะทดลองอยากจะเรียนรู้เรื่องต่างๆแต่ว่าการเรียนรู้ของเขานนั้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีไปแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ทําให้ลูกหลานของเราเสียหายได้มากๆ พราะบางครั้งอยากจะเป็นฮีโร่ในหมู่ในคณะบงังอยากจะเป็นอะไรคนเกรงเกรงกล้าสามารถในหมู่ในคณะบงังอยากจะทดลองในสิ่งที่เขาว่าเป็นอันตรายจะทดลองดูที่มันเป็นยังไงลักษณะอย่างนี้คือเด็กวัยกำลังจะอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะทดลองแต่นี้เราจะสอนเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไร บางทีก็ยกพวกตีกันบ้างทั้งที่มันเห็นแล้วมันโอ้โหมันมีคอ้อนมีมีดมีอะไรมันหน้าบาดเสียวแต่พวกเรามาผ่านไปแล้วแต่พวกกลุ่มนั้นเขาไม่กลัวเขาเห็นเข้าไปแล้วนั่นมันเหมือนกับอะไรมันมีผักดันในจิตใจของเด็กในรุ่นนั้ น, น, นทั้งฝ่ายหญิงก็ไปอีกแบบหนึ่งทั้งเด็กนักเรียนชายก็ไปอีกแบบหนึ่ง หลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดคงจะรู้ดียูยิ่งกว่าหลวงพ่อขนาะหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพ่ก็ยังได้ยินแผ ล, ม, แลมออกมาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ครูบาอาจารย์ที่มานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อทั้งหมดทั้งสี่สิบท่านเนี่ยอยากจะให้แนะนําพ่อแม่ของเด็กนักเรียนด้วยเพื่อจะให้คนในชาติของเราสํานึกสําเหนียก ในการเป็นอยู่ในความประพฤติของเขาหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อเนะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าเมื่อมีโอกาสพ่อแม่ลูกสามสี่คนลูกสามคนสี่คนพ่อแม่วันไหนว่างๆที่จะไปเลี้ยงอาหารหรือว่าไปออกไปนอกบ้านหรือทานอาหารในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน บางทีเด็กนักเรียนเขาก็มีการบ่งการบ้านอะไรบ้างก็มันจะไม่พร้อมกันแต่วันไหนพร้อมกันโอกาสดีดดูบรรยากาศดีๆหลวงพ่อก็น่าจะหลวงพ่อว่าน่าจะพ่อกขาแม่น่าจะคุยกันก่อนออันนี้อยากจะให้พออคณะครูบาาจารย์เนี่ยเอาไปพิจารณาดูสิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือให้พ่อแม่สองตายายคุยกันก่อนเออวันนี้จะสอนลูกเรานะ ใครจะเป็นคนสอนละ่ะจะให้พ่อหรือแม่สอนตกลงกันก่อนสองสองตายายนะสองพ่อแม่อนะแม่ก็เออเอาให้พ่อนะ่ะสอนนะเออผมผมจะสอนลูกนะผมจะสอนอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ช่วยช่วยกันนะให้ช่วยกันแนะนำํำตอนนี้ก็ผู้พ่อก็บอกเออพอทานอาหารเข้าไปแล้วก็พูดนั้นพูดนี้ไปเป็นที่ ถอยเป็นไงการเรียนของลูกไปยังไงคนนั้นคนนี้เปยังไงมีปัญหาอะไรการเรียนเป็นยังไงพอผลัสเุดลูกพ่อเนี่ยไปเห็นสื่อในวันนั้นอะ่ะโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิท ย, ยุเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นเด็กทําตัวไม่ดีอย่างนั้นในคนกลุ่มนั้นไปฆ่าไปตียกพวกตีกันหรือไปทํ า, งงาอย่างนู้นอย่างนี้ หลายเรื่องโอ้ถ้าเป็นลูกของพ่อนะถ้าไปทำอย่างนั้นน่ะถ้าตำรวจจับได้เงินเดือนของพ่อกระขนาดนี้แล้วจะไปไถ่ไปถอนไปประกันออกมาอนาคตลูกอีกสามคนเนี่ยจะได้เงินที่ไหนมาส่งเรียนพราะนั้นลูกต้องคิดให้ดีนะก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้ดีอย่าไปทำอย่าไปครบ หมู่เพื่อนที่ไม่ดีถ้าไปทำอย่างนั้นคือมาพ่อแม่เนะี่ยพ่อนะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วก็เงินคำทรัพสมบัติที่จะสง่องน้องๆให้เรียนหนังสือก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวของเราเนี่ยมีตกะกจุยกระจายแตกกันได้ง่ายๆนะลูกนะ เ, เงินที่ดงที่ดินอะไรก็จะต้องเอาไปประงประกัน เป็นแสนเป็นล้าน่ะจุดแท้แต่คดีนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากน้อยสิ่งเหล่านี้ให้ลูกคิดะก่อนนะก่อนทําอะไรอย่าไปทําแบบไม่คิดไม่อ่านอะไร น, นะลูกนะอพอพ่อพูดจบแม่ก็พูดว่าเออใช่จริงอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละถ้าว่าลูกทําไม่ดีอย่างนั้นก็ทําให้เสียหายหน้าตาของเราไม่รู้จะเอาหายเราจะไปมุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เธอมันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นลูกจะทำอะไรให้ระมัดระวังนะลูกนะให้คิดให้ดีก่อนนะอย่าไปทำแบบไม่คิดไม่อ่านไม่ได้เด้อยพ่อแม่เป็นห่วงนะแต่ว่าการศึกษาอะไรก็เรื่องของใช้เงินคำอะไรก็บอกพ่อบอกแม่เถอะอพ่อแม่ก็จะสู้อย่างสุดๆนะเพื่อจะสงเสียให้ลูกเรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่ลูกจะไปได้เท่าที่กำลังพ่อแม่จะจะทาได้ อันนี้ก็หลวงพ่อว่ามันควรจะเป็นส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่ผู้แม่ก็เหมือนกันเทก็จะสอนลูกสาวกับพูดกันก่อนกับพ่ออีกเหมือนกันก็บอกเออลูกเอ้ลูกที่จะทาอะไรไปเที่ยวไปเตรไปที่ไหนไหน ไ, ไม่ดีนะลูกนะถ้าหาว่าเรื่องราวมันแดงขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาขึ้นมา ทำให้พ่อพ่อกับแม่นขายหน้าเสียหน้าเสียตานะไม่รู้จะเอาน้าไปไว้ที่ไหนนะความรับไม่มีในโลกนะลูกนะถ้าลูกทําอย่างนั้นเสียหายนะลูกเนะ้อให้ละมัดระวังไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนให้ละมัดระวังเพราะพิษภัยทุกวันนี้มากมายไม่รู้จะออกมาในรูปลักษณะอย่างไรเนี่ยให้ลูกให้ละมัดระวังนะลูกเนะ้อจะทําอะไรจะไปทําจะไปไปตามที่ตัวเองคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเผื่อมันเป็นไรขึ้นมาล่ะ ขายหน้าตาพ่อแม่ได้ให้ระมัดระวังนะลูกเนอะทั้งพ่อก็ใช่ที่แม่แม่พูดนะถูกแล้วละ่ะอให้ระมัดระวังนะลูกเนอะคล้ายๆว่าสอนลูกแต่จะไปสอนแบบพั่มเพื่ออจะไปสอนทุกวีทุกวันถ้าสอนทุกวีทุกวันพออาปากขนาดเด็กเด็กมันก็ลุกหนีแล้วอพอรู้แล้วว่าพ่อจะพูดอะไรแม่จะพูดอะไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะแนวพ่อแม่ของ สถาบันครอบครัวส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าพูดอย่างที่หลวงพ่อนะใช่สถาบันครอบครัวนะเป็นสถาบันที่มีการศึกษาแต่ถ้าว่าสถาบันอีกอย่างหนึ่งล่ะกินเหล้าให้ลูกดูพอเลิกงานมากกินเหล้ามาตั้งแต่เลิกงา น, น, นมาถึงบ้านก็ทรมรงครามทะเลาะเบาแวงกันจะไปสอนอย่งงางนั้นได้ยังไงอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกัน แต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้ก็ต้องมอบให้ครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันถ้ามีโอกาสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บอกเออนักเรียนจะทําสิ่งไหนก็เขาให้คิดซะก่อนคิดให้ดีน ะ, ะลูกหนะ้าหลานเนะินักเรียนเนะ่าถ้าวันนักเรียนทําอะไรไม่คิดไม่อ่านพ่อแม่เสียหายนะครูบาอาจารย์เสียหายนะเขาขอให้นักเรียนช่วยๆกันดูกันนะดูแลกันนะอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่พอถึงยังไงก็ตาม ก็ต้องพยายามแนะนำความถูกต้องครูบาอาจารย์น่คงจะแนะอย่างเต็มที่เหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็อยากจะให้เต็มที่ยิ่งกว่าเต็มที่อีกอยากจะให้ใส่ใจต่อลูกหลานของคนในชาติของเราอีกเพราะเราคิดว่าทรัพยากรของชาติเนี่ยจะเป็นดินน้ําลงไฟจะเป็นภูผาป่าไม้จะเป็นแหล่งน้ำอะไรก็าตามอันนั้นคือทรัพยากรของชาติ ก็ยังเป็นยังเป็นรองทรัพยากรมนุษย์เนี่ยทรัพยากรคนในชาติ เ, เป็นหนึ่งมาในอันดับหนึ่งถ้าว่าคนในชาติมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมแล้วทรัพย์อย่างอื่นมันหลั่งไหลมาเองปกครองเองดูแลเองได้เองแต่ถ้าว่าทรัพยากรมนุษย์ เ, เละเทะเหลวไหลไม่มีขอบเขตมีแต่ คนชั่วช้าลามกกินเหล้าเมายาสุรานารีอบายมุกทุกอย่างคนในชาติไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันถึงเราจะได้โสแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพย์สมบัติตึกรานบ้านช่องถนนหนทางเหลืองอล า, ามไปด้วยทองด้วยเงินด้วยทองอีกสักวันหนึ่งแะพวกเหล่านี้แหละจะงัดแงะจะเอาแม็คโครเอาอะไรมาลื้อเอาไปขาย กินเหล้าหมดเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าทรัพยากรของชาตินี่คือมนุษย์คนในชาติเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆุท่านที่มาฟังที่หลวงพ่อพูดในวันนี้อยากจะฝากให้พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายใส่ใจในการอบรม ไม่ใช่สอนให้แต่วิชาอย่างเดียววิชาความรู้นะใช่แต่ต้องสอนความประพฤติด้วยในหลักของฝรั่งที่เขาพูดมา i อคิวคก็คือความรู้อีคิคือความรอบคอบเอคก็คือความนิสัยดีเป็นนิสัยดั้งเดิมเป็นคนนิสัยดีนิสัยเยือกเย็นนิสัยสุขขุมคัมภีรภาพ ฝรั่งเขาจัดถึงเดี๋ยวนี้เขาจัดถึงเก้าคิวนะเอสจคิวเคิวโอคิวอะไรมีหลายคิวแต่หลวงพ่อดูแล้วในคิวทั้งหมดนะไอคิวแปลว่าคนที่มีความรู้ความคิดดีมีปัญญาแต่ถ้าว่าคนมีความคิดดีมีปัญญาเขาบอกว่ามีประโยชน์เพียงยี่สิบเเซนถ้าว่าขาด EQ คือความประพฤติมันมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีความรอบคอบในการกระทําในการควบคุมในความรู้ตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสอนแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้สอนความประพฤติให้แก่ลูกแกหลานลูกพ่อว่าน่าจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านสอนทั้ง ความคิดด้วยสอนทั้งความรอบคอบด้วยสอนทั้งกิริยามารยาทความสุขขุมคาพิเรกภาพความรับผิดชอบให้แก่เขาด้วยแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อมองดูแล้วความรับผิดชอบรู้สึกว่าจะด้อยลงไปเรื่อยๆสำหรับคนในชาติของเราพอทาอะไรลงไปแล้วทิ้งทิ้งควางควางทั้งที่จะเก็บจะรักษาในสิ่งนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร พอทำเพลินเสร็จแล้วก็ทิ้งไปโดยที่ว่าไม่รับผิดชอบเพราะนั้นขอให้สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเด็กนักเรียนแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อจะจะย้ำอีกว่าก่อนที่จะสอนเด็กนักเรียนก็คือตัวอย่างถ้าหากว่าอย่างที่หลวงพ่อได้ยินในวันนี้บอกว่าลูกอย่าไปกินเหล้านะ ไปกินเล่าไม่ดีแต่พร้อมกันพ่อก็กําลังยกขวดเบียร์จอกเบียร์ขึ้นมาจะดื่มลูกเขาก็เลยบอกว่าไอ้คาพูดนั่นะสู้ความประพฤติไม่ได้พ่อการประพฤตินั้นดีกว่าการพูดนั้นเป็นหลอกเฮ้ยอันนี้เด็กนักเรียนสอนพ่ออีกว่าั้นอันนี้ก็เหมือนกันอยากจะให้ครูบาอาจารย์ก่อนที่จะสอนเด็กนักเรียนจะ อ, อยากจะให้ครูบาอาจารย์เป็นแม่แบบแม่ฉบับ แก่ลูกหลานตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนของชาติตามลําดับขั้นตอนแต่ไม่ใช่ว่าจะจ ะ, จะสอนให้แต่เขาทําดีนักเรียนทําดีแต่ครูบาอาจารย์เออทะเลาะกันบ้างมีเรื่องเล่าอะไรกันบ้างทําให้เด็กนักเรียนเขารู้เขาเห็นเขาได้ยินหลวงพ่อว่าจะสอนแก่คนมันก็สอนยากอีกเหมือนกันเพราะว่าการที่จะสอนคนเนี่ย เราต้องอยากจะให้เขาดีต้องทำดีให้เขาดูอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดูอันนี้มันทุกระดับไม่ว่าพวกครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองดีหลวงพ่อก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ลูกหาดูแต่ถ้าว่าหลวงพ่อทำตัวไม่ดีแล้วจะไปสอนเด็กจะไปสอนลูกศิษย์ ให้เป็นลูกศิษย์ที่ดีหลวงพ่อว่ามองไม่เห็นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันคืออยากจะให้ครูบาอาจารย์ตรวจตราดูตัวของเราเองตัวของเราทุกๆุ ท, กท่านนะและก็พร้อมกันการเป็นอยู่ของพวกเราครูบาอาจารย์ที่คนทั้งหลายที่พูดหลวงพ่อไป โคดมีท่านผ อ, อสํานักงานหนึ่งแต่หลวงพ่อไม่ระบุชื่อท่านก็มาหาบอกว่านี่นะในสนํา น, านักงานพนักงานไปกู้หนี้ยืมสินทั้งที่ตัวเองมีเงินน้อยเงินเดือนไม่พอก็ไปออกรถพอออกรถยังไปแล้วยังมีโทรศัพท์ยังมีของใช้ต่างๆในบ้านอีก แต่ดูดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งนั้นมีแต่ไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ทีนี้พอมาทำงานพวกเจ้าของเงินเขาเจ้าของบริษัทของเขาก็มาทวงหนี้ก็ททำให้หลบหลบหลีกหลีกเอาไปมากะลิยเสียการเสียงานวันไหนเขาจะมาโอ้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหนีออกจากหน้าที่การงานหลบที่เขาจะมาทวงหนี้เอ่อหลวงพ่อว่าเออ เพราะเหตุใดที่พวกเราก็เรียนบริหารจัดการก็เรียนกันมาจบมหาวิทยาลัยมากต่อมากเรียนอะไรเรี๋ยวมาจบบริหารจัดการบริหารบริหารอะไรจัดการจัดการเรื่องอะไรเพราะเหตุนั้นเองตรงพ่อว่าคือเรียนบริหารจัดการคือจัดการภายนอกจึงบริษัทจึงล้มละเลยนาจทุกวันนี้กับผู้บริหารจัดการภายนอกไม่ดูแลบริหารจัดการกับตนเองไม่มองตนเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้ เรามีเงินเดือนเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเรารู้แก่ใจว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่เราจะใช้จ่ายยังไงบริหารจัดการกับการเงินของเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็อยากจะฝากให้ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาอีกเหมือนกันเพราะว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่า ตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าสาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติให้เป็นเจ้าของเงินให้เป็นเจ้าของสมบัติ แต่หลวงพ่อจะพูดข้อปลายสองข้อที่ว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่เอาเงินเดือนหนึ่งมื่นบาทในเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นในเดือนหนึ่งเราจะใช้อะไรบ้างถ้าว่าค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำมันรถเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่ ทีนี้เราก็พยายามดูดูดูดเสร็จแล้วเราก็ควรจะมีเงินเก็บบ้างหนึ่งหมื่บาทเราเก็บเดือนละพันได้ไหมเก็บนี้เก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่ออนาคตเมื่อมีคราวจําเป็นแต่ถ้าเราใช้เงินไม่เหลือเดือนนี้ก็ใช้เป็นหมื่นหนึ่งพันเดือนที่สองก็ใช้หมื่้ารอใช้หมื่นที่สาม0 0ืมพันมันจะพอกหาหมูวที่มันเกินจำนวนเกินไปนะนะมันจะพอกหาหมูขึ้นเรื่อยๆ ผลที่สุดเราก็เลยเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังไปท่นี่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจุดนี้เป็นจุดที่น่าคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกทุกท่า น, สอ น, ส, อ น, านสอนลูกสอนหลานสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เขาสำนึกว่าการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคืออะไรนี่แหละในหลวงพูดพอเพียงก็คือรู้จักประมาณรู้จักหา รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักหา ค, คือรู้จักหาหาอย่างไงจึงจะเป็นหน้าที่การงานตำแหน่งของเราจรึงจะเจริญงอกเงยขึ้นมาได้หน้าที่การงานถึงจะเป็นที่นิยมเลือนขั้นเงินเดือนขึ้นมาตามลำดับแล้วนอกเหนือที่เราหารายได้ด้วยลำไส้ของเรามีอะไรบ้างที่ไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดต่อศีลธรรมมีสิ่งอื่นไหมที่เราจะหา เพิ่มเติมเข้ามาอีกในการเป็นอยู่ของเราอันนี้ก็คือการแสวงหาไม่ใช่ว่าไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปลักไปขโมยเล่อการพนองพนันอะไรขึ้นมาอันนั้นคิดว่ามันจะเป็นความสุขก็ยิ่งพะรุงพลังยิ่งมัดเข้าไปอีกยิ่งจมลึกลงไปอีกก็เพราะนแไรเพระเราทําไม่ถูกอันนี้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราในฐานะของเราเราต้องการขนาดเมีมีอะไร ต้องการขนาดมอเตอร์ไซค์พอจะทนไหวเดือนหนึ่งเดือนละ3พันเอาจ่ายงวดไปแต่เราไปเอารถยนต์เดือนหนึ่งเกือบหมื่นแล้วจะทำยังไงแล้วจะกินอะไรนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติแล้วไปไม่รอดเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปีถ้าเรานำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปัดฝุ่นมา แนะนำมาพูดคุยกันแล้วหลักของพระศาสนาเป็นหลักเหตุผลทั้งนั้นจากผลที่สุดสุดท้ายก็ว่าตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินคล้ายๆกับว่าเมื่อแต่งงานกันเป็นสามีพัรยากันอยู่ด้วยกันแต่พัรยาเป็นคนชอบเที่ยวชอบเตรชอบเล่นการพนันแต่พ่อบ้านเนี่ได้เงินเดือนมาก็หมกความไว้วางใจให้แม่บ้านเป็นคนจับใจใช้สอย ดูแลครอบครัวแต่แม่บ้านเป็นคนใจใหญ่ผลที่สุดในครอบครัวนั้นอยู่ไม่ยืดแต่กันได้ง่ายๆเพราะว่าแม่บ้านนเป็นคนทุศินใช้จ่ายอหลุยช่ยแฉกไม่รู้จักประมาณผลที่สุก็นั่นเป็นหนี้เป็นศินพลุงพลังผลที่สุก็แตกกันพ่อบ้านก็เหมือนกันถ้าว่าพ่อบ้านเป็นคนทุศินเป็นชนคนชอบการพนันชอบอบายจมุกชอบเที่ยวชอบเตี๋ยชอบเล่น ชอบไปในทางใช้จ่ายสุรุ่ยสุล่ายแต่แม่บ้านก็มอบความไว้วางใจมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นพ่อบ้านเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นผู้ดูแลครอบครัวอีกไม่นานครอบครัวนั้นก็แตกอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะว่าในครอบครัวนั้นพ่อบ้านเป็นผู้ทุสิทธิถ้าว่าครอบครัวใดก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อบ้านเป็นผู้ใจใหญ่ แต่แม่บ้านเป็นผู้มัธยัติเป็นผู้เก็บก็มอบให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลพราะเป็นผู้มีศินเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติอยู่ก็ต้องมอบให้แม่บ้านแม่บ้านก็ต้องใช้ใจ่ายเพื่อความรอบคอบหรือว่าแม่บ้านใช้ชุวยลืช่ยเล่าก็มอบให้พ่อบ้านเป็นผู้ดูแลรักษาเก็บเป็นผู้ใช้ใจ่ายกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเดือนหนึ่งเราจะใช้อย่างไงเท่าไหร่ในครอบครัวของเรา หลวงพ่อว่าเนี่ยครอบครัวนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะว่าคนในบ้านในครอบครัวสองตายายสองสามีพันยานั้นเป็นผู้มีสินเป็นผู้มีความรอบครอบในการใช้จ่ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราคำว่าจะมันมีหนี้สินแล้วจะมีใครมาโปรดให้รัฐบาลจะมาโปรดให้หลวงพ่อมองไม่เห็นถ้าปรดหนี้มอเตอร์ไซค์ก็ยังมีรถ เ, เป็นหนี้รถปิอัพ ถ้าว่าปลดหนี้รถเพลีย u ก็จะเป็นหนี้รดเก่งมันมีเยอะแยะเหลือเกินวัตถุที่จะมาล่อใจให้พวกเราเป็นหนี้เป็นสินแต่ถ้าว่าพวกเราปลดความโลภในใจของพวกเราลงให้รู้จักประมาณในการบริโภคว่าเราอยู่ในสถานะนี้เงินเดือนของเราขนาดนี้เราควรจะใช้จ่ายมากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์สาหรับพวกเราทุกๆกท่าน คนในชาติไทยคืออย่าเป็นหนี้เป็นสินอย่าไปหาสิ่งที่ทําให้จิตใจใของเราก็เพิ่มจิตใจของเราเป็นทุกข์ก่อดี้สินในครอบครัวของพวกเราเพราะนั้นพวกเราครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดอาจจะไม่สบอารมณ์ในการฟังนะแต่พวกเราให้ฟังเอาไว้พอมาศึกษาสิ่ ง, งที่มันไม่ดีเราก็ได้เสียว่าฟ้าผ่า ฟ้าร้องเสียงหมาเห่าเสียงที่ไม่พึงปรารถนาแต่เสียงที่มันดีเอเราก็เสียงอืออันนี้เสียงสวรรค์เนเสียงสวรรค์ประทานพรเป็นเสียงธรรมะแนะนำสั่งสอนให้เป็นหนทางที่ดีของพวกเราจะได้เดินตามแนวแถวความถูกต้องอันนี้เรามีสองหู เ, เ, เราจะฟังแบบหูไหนเก็ขอให้พวกเราเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ฟัง บอถือว่าหลวงพ่อเองก็ถือว่าครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่หลวงพ่อแนะนำหนึ่งแนะนําตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแต่ครูบาอาจารย์สอนวิชาทางโลกหลวงพ่อไม่ก้าวไกลในการในความรู้ความฉลาดความสามารถของครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ก้าวไกลแต่หลวงพ่อเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนหลักวิชาเรื่องพระพุทธศาสนาการเป็นอยู่เป็นยังไงใจคิดอย่างไร และการกระทำทำยังไงการพูดพูดยังไงแต่นี้มาพูดถึงหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์อยู่ในเวียงในวงังท่านทำไมจึงหนีไปบวชบวชในป่าท่านได้อะไรท่านไปศึกษาเรื่องอะไรอันนี้ก็น่าศึกษาที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาอยู่ในป่าท่านศึกษาเรื่องของใจใจคือนามธรรมนามธรรมคือความคิด ถ้าจะว่าไปแล้วในร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกไว้อย่างนั้นคือนามธรรมคือมองไม่เห็นคือความรู้สึกนึกคิดรูปธรรมคือร่างกายที่นั่งอยู่มองเห็นกันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละคือรูปธรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นแต่พวกเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยนี้เขาวาดสมองสมองเป็นผู้ เป็นผู้คิดเป็นผู้นึกคิดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นแต่ตามเมื่อจริงก็ใช่สมองเป็นผู้นึกคิดก็ถูกต้องแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านลึกเข้าไปกว่านั้นอีกท่านบอกว่าสมองเป็นเครื่องใช้ของของใจเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ยเป็นเครื่องใช้ของเราเราจะกดกดคอมพิวเตอร์เข้าไปสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอย่างรถยนต์ บางทีใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ราคาแพงๆรถราคาแพงเขาจะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวข้องกันไปหมดทั้งลอ้อทั้งตาทั้งอะไรทั้งหมดพอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาคอมพิวเตอร์ก็ทำงานพอทำงานแล้วก็สั่งแล้วก็คนก็ต้องขับขับไปรถมันก็ต้องวิ่งไปตามที่คนต้องการอันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเราเนี่ยมันไม่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่ามันเข้ามาบังคับใช้สมองให้สมองนึกคิดเรื่องอะไรสั่งสมองให้คิดแต่ถ้าสมองเสียใจก็ใช้ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้เหมือนกับรถมันเสียอย่างนั้นนะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เสียอย่างนั้นนะเราจะฉลาดขนาดไห น, นก็ใช้ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันเครื่องมันเสียอันนี้ก็เหมือนกันสมองเสียก็เหมือนกัน แต่ว่าคนที่มาใช้สมองนั่นคือใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่ท่านให้ความสนใจอย่างอย่างยิ่งก็คือใจนั่นแนหะคือมาใช้สมองเนี่ยนะท่านจะว่ามโนโปุพังคมาธรมามโนเสถามโนมายาท่านพูดพูดเป็นบาลีขึ้นมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นท่านให้ศึกษาเรื่องใจใจเนะี่ยมีความนึกคิดแปลกแตกต่างหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ตั้งหกปีไปบปําเพ็ญตั้งหกปีท่านไปฝึกอยู่ในหกปีไปฝึกเนี่ยดูใจของพระ อ, องค์วันที่ท่านได้ตัดสรู้ธรรมวันนั้นคือวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้านั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งอย่โคนต้นโพลประเทศอินเดียท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวท่านมีสติ ในการกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วสงบคืออะไรก็เหมือนเราเข้าอยู่ประตูบ้านปิดประตูหน้าต่างอยู่ในห้องเงียบไม่ออกเพ่นพ่านอยู่อยู่ในห้องเงียบพักผ่อนจิตพักผ่อนจิตนอนแต่เวลาเปิดเปิดออกไปให้ใช้ให้ใช้ให้คิดคิดเรื่องอะไร อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาสอนให้พักและสอนให้คิดสอนให้ปิดประตูและสอนให้เปิดประตูแตกแตกต่างกว่าวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนในโรงร่าโรงเรียนมีแต่สอนให้คิดสอนให้จําสอนให้พูดสอนให้ค้นคว้าแต่ไม่มีหลักวิชาไหนที่ว่สอนให้หยุดคิด หลวงพ่อถามว่าพวกครูบาอาจารย์สอนให้หยุดคิดมีไหมคงไม่มีในวิชาในโรงเรียนของพวกเราไม่ว่าระดับไหนแต่วิชาหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้หยุดคิดอันนี้น่าศึกษาทำให้ใจหยุดคิดทำให้ใจนิ่งในเมื่อใจนิ่งซะก่อนเมื่อใจนิ่งใจเป็นหนึ่งแล้วใจไม่หิวโหวยใจไม่กระสับกระส่ายใจไม่ปุงฟุ้งซ่าน นำมาคิดนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุเรื่องราวต่างๆก็เห็นชัดเจนขึ้นมาได้เพราะว่าใจของเราไม่หิวโหยใจของเราไม่กระสับกระส่ายแต่ถ้าว่าใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านมากๆอย่างพวกเราเห็นคนที่เป็นประสาทคิดเรื่องมีเรื่องอะไรที่ต้องให้คิดคิดจนเป็นบ้าแล้วจะให้เขาพิจารณาด้วยเรื่องเหตุและผลต่างๆนำมาปฏิบติปต่อหรือว่าแนะนําเรื่องว่ามาพูด ให้เป็นเรื่องเป็นราวพวกเราคิดดูกันแล้วกันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเขาปุ่งฟุ้งซ่านแต่ว่าถ้าว่าจิตใจสงบนิ่งจิตใจเป็นหนึ่งกันกลองด้วยเหตุผลเมื่อนำให้กันกลองก็นำมาคิดไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดประโยชน์ในการพิจารณานั้นหลวงพ่อเปรียบเทียบกับเหมือนกับพวกช่างเหล็กพวกช่างที่เขาตัดเหล็ก มีแก๊สมีไฟมีลมแล้วก็มีเครื่องพอจุดหัวแก๊สเข้าไปเขาก็หมุนทั้งแก๊สทั้งลมทั้งไฟถ้าหมุนให้มันพาออกไปตัดเหล็กจะไม่ขาดถ้าหลีหัวเข้าไปจนเขียวปั๊บเล็กๆเกจาะลงใส่แผ่นเหล็กเหล็กละลายเลยขาดเป็นช่องไปเลย ทำไมมันจึงขาดได้เพราะมันเป็นหนึ่งอันนี้ให้พวกเราสังเกตเขาว่าใจเป็นหนึ่งก็ะลอเข้าลักษณะอย่างนั้นถ้าใจเป็นหนึ่งจะพิจารณาสิ่งไหนก็ตามตัดได้เด็ดขาดเห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปิดประตูให้หยุดคิดในเมื่อหยุดคิดแล้วเอาที่ใจที่หยุดคิดนนํามาพิจารณานามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไร ท่านให้พิจารณาร่างกายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเพราะมนุษย์ชาติของเราหลงร่างกายหลงร่างกายตัวเองว่าร่างกายเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยพอหลงร่างกายแล้วก็หลงร่างกายคนอื่นพอหลงร่างกายอื่นหลงเงินคำทรัพสมบัติจดถาบรรดาศักดิ์เลือกสวนไล่นาหลงไปหมดทเพราะมันหลงร่างกาย แต่พระเทเจ้าสอนให้ใหพิจารณาร่างกายตัวเองร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกสาผมโลมาขนนัาขาเล็บทันตาฟันตัโจดังกรรมฐานหา่ให้พิจารณาดูสิมันเป็นของเราจริงไหมอีกสักวันหนึ่งตาก็มัวฝ้าพางหูก็หนวกหูก็ตึงผมก็ขาวหนังก็เหี่ยวร่างกายทุกส่วนของร่างกายทุกพ ล, ลภาพมันไม่ใช่ตัวตนของเรา ขนาดร่างกายแท้ๆมันก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นคือลูกของเราอันนั้นคือเมียของเราอันนั้นสามีปัญญาของเราอันนั้นเงินคําทรัพย์สมบัติของเราอันนั้นยศถาบรรดาศักดิ์ของเราขนาดร่างกายตัวเองอย่างแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราได้อย่างไรคิดดูให้ดีอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้พวกเราคิดนะให้ใช้ปัญญาจริงไหมที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิด ขนาดร่างกายแท้ๆของเราแท้ๆออกมาจากท้องแม่แท้ๆอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งจะต้องนอนทับถมแผ่นดินจะต้องแตกสลายจะต้องเผาไฟขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอย่างอื่น่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้แหละ พ, พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราคิดนะท่านในเมื่อเราคิดแล้ท่นี้เรานั่นคือใครเป็นของเราในะเราคือใครนี่แหละ ทีนี้ท่านก็บอกท่านก็ย้อนมาหานามมธรรมที่หลวงพอ่อได้พูดเบื้องต้นว่าในร่างกายของเรามีอะไรมีสองอย่างคือรูปประธรรมและนามามธรรมนามมธรรมนั่นแหละเป็นเจ้าของของร่างกายทีนี้บอกว่านี่ใช่ไหมนามามธรรมร่างกายเป็นตัวตนเป็นของเราใช่ไหมทีแรกเมื่อไม่ได้พิจารณาก็ใช่ร่างกายเป็นของเราเป็นของเราไม่ช่วยเป็นของคนอื่นได้ยังไงเป็นของเราถ้าเป็นของเราเราบอกว่าอยาแก่นะอย่าเจ็บจะตายนะมันบอกได้ไหม นนํ า, า ม, มาทํานํามาทําก็คงจะอึ่งเหมือนกันว่างนันเพราะเหตุหไรเพราะใช่มันบอกไม่ได้จริงๆร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องไหลไปตามสภาพของมันผลที่สุดก็แตกสลายในที่สุดเพราะฉนั้นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วใจรู้อย่างนั้นแล้วใจก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายนักหนาสิ่งไหนก็ตามพอที่จะให้อภัยได้ก็ให้อภัยสิ่งไหนที่จะทําให้ถูกต้องครับทําถูก สิ่งนี้นที่ทําให้ดีทําให้ดีที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อโรคก็โลคอะไรมากมายนักหนาโกรธก็โกรธอะไรมากมายนักหนาหลงจะเป็นหลงอะไรมากมายนักหนาร่างกายของตัวเองแท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้พวกเราเป็นชาวพุทธนะให้สอนให้คิดอย่างนี้คิดย้อนเข้ามาหาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจจากนั้นเมื่อสอนพิจารณ า, าถึงใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจนะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นที่ใจคือความจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางใจก็เป็นอิสระเพราะใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบครองยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนเข้ามาหาใจนะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือมาปฏิบัติธรรมเข้ามาฝึกเรื่องใจมาดูใจนะใจคือนามธรรมตัวนี้แหละเป็น เรื่องที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลักศาสนาจิวาศาสนาเหตุผลพุทธศาสนาพูดได้อย่างงั้นถ้าพวกเราศึกษาให้ดีฟังให้ดีแล้วนั่นแหละศาสนาเหตุผลเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวตั้งแต่การเป็นอยู่การบริหารจัดการการอยู่ร่วมกัน เป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กถูกศิษย์ลูกหาทรัพยากรของชาติคืออะไรที่แท้จริงทรัพยากรของชาติมนุษย์มาในอันดับหนึ่งถ้าพวกเราช่วยกันประคับประคองแนะนําสั่งสอนคนในชาติดูแลทรัพยากรของชาติเป็นอันดับหนึ่งชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถูกเป็นสงาาส่าราศี ต่อชาติบ้านเมืองแต่ถ้าพวกเราสนใจแต่เรื่องอย่างอื่นพี่แต่สนใจแต่เรื่องวัตถุอย่างอื่นนั่นแหละต่างคนก็ต่างคนคว้าไยคว้ า, วาหาแต่ด้านวัตถุผลที่สุดก็ ม, มีแต่ความหายยนะจะเข้ามาสู่ชุมชนสังคมของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดลากหลายให้แก่ครูบาอาจารย์ที่มาฟังในวันนี้ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ถ้าว่าพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนําไปคิดไปไต่ตรองอไปไขควรทบทวนอีกครั้งหนึ่งอแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้พูดแต่ที่แรกแล้วว่าไม่ให้เชื่ออหลวงพ่ออินพูดแล้วไม่ให้เชื่อให้ฟังดูก่อนแล้วนําไปปฏิบัติ ด, ดูด้วยถ้าปฏิบัติแล้วได้รับผลแล้วนั่นแหละคําพูดของหลวงพ่อเป็นคําพูดที่เรื่องเป็นจริงอเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เพราะว่านำไปประพฤติธปฏิบัติแล้วได้ผลนะเพราะนั้นการพูดการแสดงหลักเขตุผลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่มาฟังในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอหยุดติในการพูดเพียงเท่านี้